สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหนึ่งพงศษบทที่18 1พปดหกษังริย์บทที่18ข้อที่40จนถึงข้อที่46ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วเอลียาก็สั่งพวกเขาว่าจงจับกลุมตัวผู้ทํานายของบาอันไว้ อย่าให้หนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวแล้วพวกเขาก็เข้าจับกลุ่มเอลิยานําตัวบรรดาผู้ทํานายไปประหารที่หุบเขาคีโชนจากนั้นเอลิยาทูลอาหับว่าเชิญไปรับประทานและดื่มเถิดเพราะมีเสียงฝนห่าใหญ่อาหับจึงเสด็จไปเสวยและดื่มแต่เอลิยาปีนขึ้นบนยอดเขาคาเมลและเขาโน้มตัวลงถึงพื้นดิน และศบหน้าลงระหว่างเขาเขาสั่งคนรับใช้ว่าจงไปและมองไปทางทะเลเขาก็ไปและกลับมาบอกเอลียาว่าขพเจ้าไม่เห็นอะไรเลยเอลียาสั่งให้เขากลับไปดูจนครบเจครั้งในขั้นที่7คนใช้รายงานว่ามีเมฆเล็กๆขนาดราวฝ่ามือเคลื่อนขึ้นมาจากทะเลเอลียาจึงกล่าวว่า จงไปบอกอาหับว่าจงเตรียมราชรถแล้วลงจากภูเขาไม่อย่างนั้นจะติดฝนแล้วไปไม่ได้ไม่ช้าทองฟราก็มืดทะมึนด้วยเมฆลมกล้าพาพายุฝนโหมกระหน่ำอาหับรีบเสด็จไปยังอิสราเอลฤทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาเหนือเอลียาเขาก็คาดเอลทับเสื้อคลุมให้กระชับ และวิ่งนำหน้าอาหับมาตลอดทางจนถึงเมืองยิสเรเอลพี่น้องครับในเช้า ว, วันนี้พรวจนะของพระเจ้าทําให้เราเห็นถึงผลการแข่งขันหรือการพนันขันต่อที่ภูเขาคารเมลเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อในเช้า ว, วันนี้คือคารามลครั้งที่3ครับพี่น้องครับผลของการแข่งขันนั้นก็ปรากฏว่าเอริยาก็เรียกร้องให้ประชาชน ซึ่งเป็นผู้ดูอยู่ณเวลานั้นประหารชีวิตพวกผู้เผยพรชนะของบาอันเราเห็นนะครับว่าสถานที่ที่พวกเขาประหารผู้เผยพรชนะบานก็คือหุบเขาคีโชนหุบเขาคีโชนนี้ขนานไปกับเทือกเขาคาราเมลไปทางทิศเหนือครับเอเลียานั้นใช้สิทธิอํานาจของพระเจ้าผู้ทรงใช้เขาได้ชักชวนให้ ประชาชนประหารประหารผู้เผยพรชนะของบาอันครับพี่น้องครับเราเช็นว่าสิทธิอำนาจนี้ได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมัญญัตบทที่1 3บสามข้อสิถึงผมจะอ่านพรชนะของพระเจ้าให้พี่น้องฟังนะครับเฉลยธรรมัญญัตบทที่13บสามข้อถึงมีคนถอยบางคนได้ออกไปจากท่านชักชวนชาวเมืองนั้นว่าให้เราไปปฏิบัติพระอื่นกันเถิด ซึ่งเป็นพระที่ท่านไม่รู้จักท่านหลายจงสอบถามและอุตสาหค้นคว้าและถามดูและดูเถิดถ้าเป็นความจริงและแน่นอนว่าสิ่งพึงรังเกียจนั้นมีคนกระทาอยู่ในหมู่พวกท่านท่านจงฆ่าชาวเมืองนั้นเสียด้วยดาบทำลายเสียให้สิ้นเชิงด้วยคมดาบของท่านทั้งคนที่อาศัยในเมืองนั้นและฝูงสัตว์ด้วยท่านจงเก็บข้าวของในเมืองนั้นไปกองไว้ที่ลานเมือง และเผาเมืองนั้นกับบรรดาเข้าของในเมืองนั้นเสียด้วยไฟเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านให้เมืองนั้นร้างอยู่เป็นนิจอย่าสร้างขึ้นมาใหม่เลยอย่าให้ของต้องห้ามนั้นมาติดพันมือของท่านเพื่อว่าพระเยโฮวาจะทรงหันจากพระพิโรูยิ่งของพระองค์และทรงสำแดงพระกรุณาคุณต่อท่านและทรงมีความรักเอ็นดูท่านให้ท่านทวีมากขึ้น ดังที่พระองค์ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยาววาพระเจ้าของท่านคือรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ดังที่ข้าพระเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้และกระทําสิ่งที่ถูกต้องตามสายพระเนตรของพระเยาววาพระเจ้าของท่านพี่น้องครับเราจะเห็นว่าการกราบไหว้รูปเคารพการประณีประน อ, นอมกับความเชื่อที่ไม่ใช่เป็นความเชื่อที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ถือว่าเป็นการละเมิดพันธสัญญาและจะมีโทษอย่างร้ายแรงพี่น้องครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงห่วงแหนครับห่วงแหนพวกเรามากหมายความว่าพระองค์ทรงรักพวกเรามากและไม่ปรารถนาที่จะให้เรานั้นหลงออกจากการดูแลของพระเจ้าหลงออกจากการที่พระเจ้าได้ทรงรักเราหลงออกจากความรักและความห่วงใยของพระองค์ถามว่าพระองค์ทําไมถึงมีพระลักษณะและพระอุปนิสัยเช่นนี้ คำตอบก็คือว่าพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงหวังดีก่อเราเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราบางคนได้หลงไปนั้นก็ต้องรีบกลับใจครับกลับใจเข้ามาสู่ความรักของพระเจ้าอย่าหลงไปแล้วก็หายไปในที่สุดนั้นชีวิตของเราจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทรงไม่พอพระทย เอริยาณั้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าท่านได้ประยุกพยากรณ์เกี่ยวกับความแห้งแล้งแล้วแก่กษระสับนะครับในบัดนี้หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงพระราชกิจพระหัตถกิจฤทธานุภาพของพระเจ้าทําให้การพนันขันต่อ น, นี้ทางฝ่ายเอริยานั้นเป็นผู้ชนะพระเจ้าได้ทรงบัญชาให้โมเสสนั้นได้เขียนธรรมบัญญัติของพระเจ้า ความบัญญัติของพระเจ้านั้นทําให้อิสราเอลนั้นมีแนวทางในการดําเนินชีวิตเอลียาห์นั้นเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ทําให้ชาวอิสราเอลนั้นได้หันกลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเอลียาห์นั้นได้พยากรณ์เกี่ยวความแห้งแล้งและมันก็เกิดขึ้นจริงครับประชาชนก็เชื่อฟังเอลียาห์ทำการฆ่าบรรดาผู้ผเผยพระชนะของบาอันจนหมดไม่มีเหลือ และท่านบอกกับกษัตริย์อาหับว่าจะมีฝนตกหนักอาหับก็รีบลงไปจากภูเขาลงไปฉลองการสิ้นสุดของความแห้งแล้งด้วยการกินและการดื่มการเลี้ยงกันแต่พี่น้องครับสิ่งที่เอลยาผู้รับใช้ของพระเจ้าปร ะ, า ก, ปร ะ, ประกาศศกของพระเจ้านั้นได้ทำก็คือท่านกลับขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานขอฝนครับท่าทางในการอธิษฐานของท่านแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความแน่วแน่ ความมั่นใจในพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งท่านได้คุกเข่าลงโน้มตัวลงและซบหน้าของท่านอยู่ระหว่างเขา่าเป็นการแสดงถึงความจริงใจท่าทีแห่งความถ่อมใจท่าทีแห่งการวิงวอนการอ้อนวอนต่อพระเจ้าเราจะเห็นว่าบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าประกาศศักของพระเจ้าผู้เผยพระชนะผู้พยากรที่พระเจ้าทรงใช้นั้นเขามีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า และมีชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานครับขณะที่ประชากรของโรร่งกำลังกินและดื่มขณะที่กษัตริย์ผู้นำทางฝ่ายการเมืองนั้นเสด็จลงไปเสวยและดื่มแทนที่จะกลับใจแต่พี่น้องครับเราเห็นว่าพระเจ้าก็ยังทรงพระชนอยู่และโรรองก็ยังทรงไว้ซึ่งพระคุณความรักของพระเจ้าเอลียา์นั้นขณะที่อธิษฐานอยู่ระหว่างอธิษฐานนั้น เขาสั่งคนรับใช้ว่าจงไปและมองไปทางทะเลคนรับใช้แรกๆนั้นไปและก็มองไปปรากฏว่าไม่เห็นอะไรเลยครับเอลิยาสั่งให้เขากลับไปดูครบเครั้งในครั้งที่7นั้นคนใช้รายงานว่ามีเมฆเล็กๆขนาดราวฝ่ามือเคลื่อนขึ้นมาจากทะเลมีความหวังเมฆเล็กๆขนาดราวฝ่ามือนั้นเปรียบเสมือนกับพระหัตถ์ของพระเจ้าครับที่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามา การอัศจรรย์ของพระเจ้านั้นก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาพระคุณความรักของพระเจ้านั้นก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเอลิยาจึงกล่าวกับอาหับบอกว่าให้เตรียมราชรถแล้วลงจากภูเขาไม่ใช่แนั้นจะติดฝนแล้วไปไม่ได้ mm hmm. ไหนเมชาครับท้องฟ้าก็มืดทะมึนด้วยเมฆพังกามีร์ได้บรรยายว่าลมนะครับลมแรงมากเลยลมกล้าพา พ, าพาพายุฝนโฮมกระนํากษัตริย์อาหับจึงรีบเสด็จไปยิสเรเอล ฤทธิอำนาจขององค์เจ้าก็ลงมาเหนือเอเรียเขาคาดเอวทับเสื้อคุมให้กระชับวิ่งนําหน้าอาหับมาตลอดทางพี่น้องครับอาหับนั้นก็ใช้รถมา้าแต่พระเจ้าให้กําลังคนของพระเจ้าในการวิ่งนําหน้าระยะทางระหว่างภูเขาคาราเบลและก็วังของกษัตริย์อาหับที่อิสราเอลนั้นก็สันนิษฐานกันว่า ตกอยู่ประมาณ25กิโลเมตรครับประมาณ10ไมล์นะครับบางดําราก็บอกว่าประมาณ40กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามครับเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นมากครับก็คือผู้เผยพรชนะของพระเจ้าวิ่งนําหน้ากษัตริย์แห่งอิสราเอลกระชัแห่งอิสราเอลเสด็จตามหลังมาในราชรถและเมฆฝนที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ก็ไล่ตามมาภาพนี้นั้นตอกย้ำให้เราเห็นว่าอาหับนั้นตัดขาดกับไพรบาอันและหันกลับมาปกครองประชาชนในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วเราเห็นว่าพระเจ้านั้นได้ทรงเปิดโอกาสให้กับอาหับเสมอในการที่จะละทิ้งความบาปพี่น้องครับก่อนที่เขาจะกลับไปพบกับเยเซเบลซึ่งเป็นมเหสีจอมชั่วร้าย ที่ยิสเรเอลพระเจ้าก็ได้ให้คนของพระเจ้าได้มาโปรดได้มาให้โอกาสการกลับใจใหม่เสมอพี่น้องครับพระเจ้านั้นส่งไว้ซึ่งฤิษฐานุภาพและส่งไว้ซึ่งความรักกับประชากรของพระเจ้าเป็นอย่างมากพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองครับโอกาสที่สองหมายถึงว่า เป็นโอกาสอีกโอกาสแล้วอีกโอกาสเล่าที่พระเจ้าได้ประทานให้กับประชากรปรระชากของพระองค์ลูกหลานของพระองค์ในการที่จะกลับใจใหม่จากความผิดความบาปและเราเจะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงใช้เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของผู้รับใช้ทําใหช้ชีวิตของผู้รับใช้นั้นได้เข้มแข็งขึ้นในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและสามารถที่จะนําการกลับใจมาถึงประชากรของพระองค์ได้ นั่นคือพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเยาววายิเรครับเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆทุกอย่างเพียงพอเสมอฉะนั้นจึงไม่อาจจะมีผู้ใดที่จะบอกกับพระเจ้าเลยว่าไม่แฟไม่ยุติธรรมแต่พระเจ้านั้นทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมทรงไว้ซึ่งความชอบธรรมความเที่ยงธรรมและความรักความห่วงใยเสมอขอให้เรามั่นใจในพระเจ้าของเราครับ และเมื่อเราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นประชากรของพระองค์สิ่งที่เราทั้งหลายควรจะมีติดตัวเสมอเป็นอุปนิสัยที่สำคัญที่สุดก็คือการกลับใจใหม่ครับท่าทีแห่งการกลับใจใหม่ท่าทีแห่งการสำรวจชีวิตของเราสำรวจการกระทําของเราต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าในทุกๆวันโดยการใช้พระชนะของพระเจ้าที่จะตรวจสอบและพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะทาให้เรา มีแรงปรารถนาที่จะกลับใจใหม่ใกล้ชิดติดสนิกับองค์พระเเจ้าทุกวันครับอาเมน